วันนี้นบว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่ง อ, อ, อันดับแรกกับพวกเราได้ร่วมกันทำบุญอุทิศสวนกุศลออต่อหลวงพ่อของท่านรัตนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไปแล้วนั้นนะออแล้วก็พร้อมกันออกลุ่มกับออท่านเป็นคนจังหวัดการนะคณะัทยาติโยมหลวงพ่อแล้วก็ลูกหลานของท่านเนี่ย กระจายทางมายังอยู่ทางกรุงเทพปังพิษนรกบงังที่ไหนๆพอลูกของท่านหลายคนแต่คุณแม่ของท่านของแม่แต่รัตนาเขมาม า, มานี่ย เ, เมื่อวานเนี่ยท่านยังนั่งมาซ่อมผักอะไรอะไรอยู่เอ้ยังทําการทํางานค้นขยันนี่มาช่วยร่วมกันสร้างบุญร้างกุศลในคราวนี้แล้วก็งานของเราก็สาเร็จรูปลวงเราก็ทางบ้านเมืองก็มีท่าน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 ทางโรงพยาบาลหรือจะช่วยทางพระพุทธศาสนาศาลากา ร, ปรเปลียน อ, อ, อย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็นเนี่ยนะเรื่องวัดรวมธรรมของเราเนี่ยหลวงพ่อก็บอกกับท่านรัตนะ์กับคณะกรรมการกับคณนะในช่างทางรถไฟหลวงพ่อก็บอกว่าวัดรวมธรรมของเราเนี่ย เ, เรื่องกุฏิก็พอเป็นพอไปแต่ยังไม่พอเป็นพอไปหรอกแต่ว่า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 แต่ใจน่คือคนขับรถเหมือนกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึง่งอันเดียวกันกายกับใจร่างกายเหมือนกับรถแต่ส่วนจิตใจนามธรรมเหมือนกับคนขับรถแต่ละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านให้ความสําคัญโซเฟอร์คนขับรถมากกว่ารถท่านจึงให้คำพระบาลีว่ามาโนปุพังขามาธรรมามาโนเศรามาโนมายา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 สูงรู้จักต่ารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์โซเฟอร์มีจริยธรรมที่ดีก็ ร, รถคันนั้ น, นก็ไปได้ดีอยู่ด้วยกันมากหลายคันก็ไม่เฉียวไม่ชนกันเพราะอารมณ์เพราะโซเฟอร์ขับด้ว ย, วยความระมัดระวัง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 และเป็นยังไงโลกทั้งโลกก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดนะและแต่หลวงพ่อได้ย้ําว่าตายแล้วไม่ศูนย์คำนี่แหละอยากจะให้พี่น้องประชาชนจัตยาญาติโยมทั้งหลายประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลให้ทำนะออพอตายออกจากชาตินี้แล้วนะไปสู่สุคติถ้าคนคนทำดีนะถ้าหว่าคนทําชั่วนะออพอตายจากชาตินี้แล้ว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 เราได้ไปพิสูจน์ที่โคลนต้นโพนั่งสมาธนะิพอพระไทยใจของเราสงบเป็นหนึ่งคล้ายๆกับว่าท่านไปอยู่ในรถเหนคนอยู่โซฟา อ, อยู่รถจุดนิ่งพออยู่นิ่งก็มองตัวเองก็เห็นเห็นเห็นพระองค์ใจขององค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพอจิตใจสงบลงเท่านั้นแหละระลึกชาติทนหลังได้โอ้ใช่เรามาจากไหน เออย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อก็มาจากโน่นมาจากวัดปานาคำน้อยตั้งแต่เมื่อวานมาก็มาพักที่นี่อย่างนี้แหละเ อ, อ่ใครค่าเป็นอดีตมองย้อนหลังอันนี้ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้ามองมองย้อนหลังในอดีตมาจากไหนมาเกิดที่นี่เ อ, อต่อไปกันะมองอนาคตเจว่าจุตูปปาตยานเ อ, อ่มองสัตว์อนาคตของของตัวเองนะเอ อ, อย่างหลวงพ่อออกจากนี่เราเราออกจาก